โลกอันเดียวกันสำหรับประเทศไทยเอเชีย e วันนี้ก็ทีสี่สามสิบห้านาทีก็เหมือนกันวันนี้ก็วันแหลมแปดข้าเดินห้าตรงกับวันจันเหมือนกันเราก็นั่งสวดมนต์ไหว้พระ อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็สนุกสาธยายสวดบางคนอาจจะเบื่ององานอนอาจจะไม่เหมือนกันวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่อาจจะต่างกัน บางคนบางชีวิตแห่งรูปนามก็อาจจะหลงบางชีวิตที่มีรูปนามก็าอาจจะไม่หลงในวันหนึ่งหนึ่งถ้าเราหลงวันเวลาก็เกืนยินเราเสียฟรีไปแล้วมันกินไปแล้วเป็นสุขเป็นทุกเวลากินไปมันหลงตัวลืมตนเราก็พลาดภาคไป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 ภัยไกลปัญหาไกลไปเรื่อยๆไกลจากค่าศึกไกลจากกิเลสไปเรื่อยๆเพราะตัวไม่หลงพาไปจนถึงมักถึงผลได้มันก็ต่างกันเราจึงมาชวนกันธรรมะนี่เหมือนสะพานที่ให้เราขา้ามถ้าเราไป จากฝั่งหนึ่งไปสู่ฝั่งหนึ่งไปจากที่มีน้ําไปสู่ที่ไม่มีน้ําไปจากภัยไปสู่ความไม่มีไัยถ้าเป็นสะพานก็คือเหมือนสะพานวัดป่าสุโกโตข้ามฝั่งฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งอ า, อานิวาสีอานิยาวาสีเป็นฝั่งที่ เจริญสติจังวัญญาเป็นฝั่งที่ปริวิเวกไม่ปฏิโพธ์กังวลไม่มั่วรียว่าปริวิเวกสงบกายสงบใาจ่าสงบใจฝังหนึ่งก็ฝั่งคาบ้าวาสีเรียกว่าทั่วทั่วไป ชาววานชุมชนใครไปใครมาเสียงรดเสียงลาอะไรก็ร้อยอย่างเรียกว่าอาะอาค้าขามมาวาสีเขตขามเขตหมู่ว่านเป็นสารหน้าเ <c oughs> รียกว่าเขตขามขามจะานมาเรวีวาอันะอันลยวาสีเขตปิบีเวก เราก็หาวิธีเลือกอยู่ได้ถ้าเรายังให้โลกวันทับถมก็ออกไปอาเรียวาสีเค่เรื่องเรามีกติมีที่อยู่อยู่คนเดียวเพราะงั้นเอยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็เหมืนอยู่คนเดียว เราปรีไว้ไม่ปริวิเวกไม่ได้ก็ปริเวกในทางรูปทางนามของเราไม่ใช่สถานที่สถานที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของให้เราได้สิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าทุกเราถ้าเราไม่เคยพึงพัดตัวเองเนี่ยก็ไม่โลละอาเรียกวอาจีคือ ที่ไหนขา ม, มาวาสีคือที่ใดไม่รู้เลือกไม่เป็นถ้าเราผูกขัดแล้วเราอยู่ที่ใดก็าตามม้อยู่บนรถแมยอยู่ที่ทำมานเหมือนกันหมดแล้วก็ปริเวศของเราไปอยู่กับหมูเพราะเหมือนอยู่คนเดียวเรื่องนีเน้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราผูกขัดเราจะต้องเราไม่ผูกขัด น, นะชีวิตของเรามันจะมีค่าอะไร ชีวิตของเรามันเลือกได้มันเป็นมากกันคนชีวิตของเรามันเลือกไม่ได้มันก็เป็นหลายอย่างหลายหลายอย่างเลือกคนปนเปกันไปหมดไม่รู้จกเลือกเราทุกแล้วทุกอีกก็ไม่รู้จกเลือกความไม่ทุกข์ก็มีเราโกรธแล้วโกรธอีกเราก็ไม่รู้จะเลือกแล้วก็โู่ไปแล้วไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ผู้มีพัฒนาได้ไม่พัฒนาตัวเอง ให้มันดีกว่าเก่าไอ้พุ่นราะว่าเดิมเดิมไปให้มันโตวันโตขึ้นมาเรียกว่าศึกษาศึกษาคือจะหลงดูเมื่อวันโกรธมีสิทธิ์ที่จะไม่โกรธเราก็ใช่สิทธิ์ของเราเมื่อวันทุกข์เรามีสิทธิที่ไม่ทุกข์เราก็ใช่สิทธิ์ของเราเราก็รู้จักเลือกกันนะเพราะสิทธิของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สิทธิเทียกะล่องทางการเมือง <c oughs> อย่างเวลานี้้าหลังเขาสองสามตำบลที่ปั้นเขื่อนน้ำท่วมที่ก็พากันไปนั่งตั้งเต้นอยู่บนหลังเขื่อนเพื่อเรียกร้องสิทธิคืออยากได้เงิน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 ท่องน้ำก็ไม่ได้ผู้ที่น้ําไม่ท่วมเลยยังทำไทำล่ธาตไดอยู่ก็ได้ก็ก็ทําให้เกิดการเรียกร้องขึ้นมาเพราะว่าอมันไม่เป็นธรรมคนที่น้ำท่วมจริงๆไม่ได้คนที่ไม่มีน้ําไม่ท่วมเลยยังดีกว่าเก่าก็ยังได้เงินได้ทองตอนนี้พราลอะไรเพราะมันก็เป็นอย่างนี้โลกเนี่ยก็เลยทําให้มี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 ที่ว่าสิทธิของเราอาธิปไตยของเราพมีส่วนตัวอยู่เราจะมาอยาจนเรื่องนี้กันจะพาศึกษาจะพาปฏิบัติว่าจะมีกายมีใจมีรูปมีนามมีท่าสีขันห้าท่าสีขันหกเ่อได้เย็นไหมขันหกขี้นนหน่อยนะ <laughs> ว่ทวีธาตุคือธาตุดินอากาธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุไฟวาโยธาตุคือธาตุลมอากาศธาตุเคยช่องว่างในกายวิญญาณธาตุเคยความรู้อะไได้นี่ว่าธาตุหกมันเหมือนกันเราทุวนนี่ยรู้อะไรได้ความทุกข์มันก็รู้ความไม่ทุกข์มันก็รู้ได้ความโกรธก็รู้ความไม่โกรธก็รู้ได้ แต่เราไม่ใช่ไม่ใช่วิญญาณธาตุในทางที่พัฒนาเอาวิญญาณธาตุไปไปใช่ในทางรับใช่ยอมยอมทำตามความทุกข์ยอมทำตามความโกรธยอมทำตามความรักความดังเป็นชี้ค่าของอความชั่วร้ายก็มีไม่อเอะแยะไงที่ว่า น, นี่ก็มีคนเอาเบอรงใหญ่เป็นครูทั้งสองคนนะาะ กูคนหนึ่งมาหลายปีแล้วเลิกเล่าได้มากับเมียก็เห็นว่าที่นี่พ็ที่จะเป็นที่หลักใจได้บ้างเลยชวนกันมาเออเคยไปเลิกเล่าที่สุก o s t ก็พาครูคนหนึ่งติดเล่ามอมแมมเวลาติดเล่ามาเอารถเจ๋งขี่ไปโรงเรียนเอารถเจ๋งจามัดจา เม้ามาเอามาจำพ่เมียก็ไปถ่ายให้เมียก็ไปทุกชวนมาว่าจะมาเลิกก็เอพูดให้ฟังพูดให้ฟังแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ยายาการเลิกเล่าเลือดบุหรี่ก็เอามาเฟืองตัวผู้ฟังไว้นะมาเฟืองตัวผู้ ใช่คุณวเยเผดอเอาว่าเอาแกงนาต้มฟันฟันระแวกเอากระมือไปต้มใส่น้ำสามแก้วเอาแก้วเดียวกินลงไปจะอาเจียนดอกจะเบื่อบุรีจะเบื่อเล่าคิดถึงเล่าเวลาใดอาเจียนออกคิดถึงบุรีก็อาเจียนออก เอาไปมาก็เมื่อมันหมดพิษอาเียนแล้วมันก็หิวบุหรี่หิวเราได้จึงไม่ใช่ยาอ น, นันต์แต่ว่าถ้าถ้าคนนะ่ะต้องชั่งน้ําหนักต้องตรวจความดันสูงความดันต่ําถ้าไปให้ยาอย่างนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้เราก็ไม่ใช่หมอเราเป็นหมอสมุนไพรเรียนมาเออเลยไม่ค่อยใช่เอาหักดีบเลย เขาถามอาญาไม่เอาหยุดนะก็คือวัฏฏะเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันจึงอยากเพราะอยากมันยังกินเพราะกินมันจึงติดเพราะติดมันยังอยากเป็นวัฏฏะเราก็ไม่กินเพราะไม่กินมันก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากต้องสู้จังหน่อยคอยบอกไปแต่จริงใจตั้งแต่วันนี้หลวงพ่อเป็นศักดิ์พยานไม่ตายแน่นอน ทำได้จะลงไว้สัญญากับหลวงตาเลยหลวงตาเป็นพระน่นะมีคำพูดมีตัวมีตนมีผู้มีคนมาพบกันที่นี่ทั้งผัวเมียสองคู่สองคนครอบครั ว, วามาถ้าตกลงอ่ะสาธุควมกันอ่ะสาธุอา้ามันมันเบาเกินไปสาธุแรงกว่า น, นี้สาธุอีก <laughs> ก็เลยบางกรบเป๋าอันนี้ก็มาเราืนะ่อยเราเนีีก็อาศัยอ่าอาศัยาลังกําลังใจก็มีแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรื่เรามาทําอย่างเนี่ยก็ต้องไม่มีอะไรแหละพอแล้วพร้อมแล้วพวกเราชีวิตเราพร้อมแล้ว <c oughs> มันหลงก็บลูบให้เราลูบไป ใครจะมาจากไหนจะไปยังไงจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีอันรู้เหมือนกันมามามีความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวไม่ใช่เป็นละมัดรระวังความหลงเมื่อเราเป็นยามเฝ้าบ้านเป็นยามเฝ้าบริษัทระวังจะปืนจะบปิดจ้อง ถ้าใครมาลักกาขโมยพร้อมที่จะป้องกันไม่เกิดตั้งขึ้นมานันเป็นยามมันก็ลำบากอาจะเบื่อหน่ายเป็นธุระเกินไปการเจริญสติไม่ใช่ทำแบบนั้นมันมีอยู่แล้วมันไม่เสียไปไหนไม่มีใครมาลักแม่เป็นความหลง มันก็ไม่ไม่เสียเพราะความหลงมันเป็นความรู้ด้วยความหลงเ่ยมันเป็นความรู้ตรงนั้นไม่เสียอะไรแทนที่จะระวังไม่ให้มันหลงมันก็เกิดประโยชน์อย่างนี้การเจริญสติไม่ใช่ว่าหลงเอ้ยมันหลงไปแล้วอืมมันน่าจะหลงทำไมมันหลงอ น, นั้นมันเหมือนอย่างเฝ้ารักษาสิ่งของ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 มันง่วงเหลยมันง่วงเออมันหนักเหลยหาอุปรกรณ์ช่วยเหมือนเรายกของก็มันหนักก็หาวัตถุอุปกรณ์ช่วยการช่วยควง ม, ม่วงไม่มีใครช่วยเราการช่วยของหนักที่เป็นวัตถุอาจจะมีวัตถุอื่นหรือเสียงอื่นมายกมางัดขึ้นมาถ้ามันง่วงอ่ะก็ออกแรงแร ง, แรง เคลื่อนไหวแต่นั่งอยู่บางง่วงก็อเอาท่าใหม่อย่าไปนั่งคอตกอย่าไปนั่งอ่อนแดดเหมือนคนขับรถบางทีเขาง่วงเขาขับช้าเกินไปก็บึ่งแรงๆสักสนาทีมันก็หายง่วงได้ใช่ไหมบางทีเขาบอมึงง่วงเขาขับช้ามันง่วงเอาแรงๆก็มึนๆไปมันก็หายง่วงได้ีเราก็ออกแรงแต่นอยยกมือทุบเขา ยิ้มยิ้มบุกตัวเองขึนมาเอาเอาลุกขึ้นมาถ้ามันนั่งอยู่มันง่วงลุกขึ้นเดินไม่ใช่ยองเดินตบเท่าเลยเจ็ดเ็ดเจ็ ด, จดโอ้มันดีมันไม่ง่วงเพราะมันง่วงทำไปไม่ยอมมันบางคนง่วงหลับตาปีอ๋อตกสับปรโกอยู่สองรอบสามรอบก็ยังนั่งสับประโกอยู่ไม่แก้ ไม่แก่มันก็เป็นอย่างนั้นแต่ที่มันจะมีไม่กี่ครั้งมันก็ผ่านได้ถ้าเราหัดตนี่ก็มีวัตถุปรปกรณ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่เราหอามามาช่วยตัวเองไม่เยอะแยะในชีวิตเราพร้อมแล้วพร้อมที่ละความชั่วพร้อมที่ทำความดีอยู่แล้วไม่จนในเรื่องนี้แน่นอนเรียกว่า ปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามสุขวันแจะปฏิบัติผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ทควรรู้ควรเห็นเป็นดััน์ชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรจะสร้างสารรค์วิตเราเท่ากับธรรมชาติสร้างมาในชวิตเราทั้งหมดถ้าโรงงานรีไซเคิลเขาอยู่ที่นี่ ของเสียทำให้เป็นของดีแหละใช่ไหมใครเป็นหมอคนหมอใช่ไหมกินเหล้าตับปอดท่านใช่ไหม <c oughs> ไปแอลกอหอเป็ น, น <c oughs> โรคเทียนเพราะแอลกอหอมเป็นเนอันตรายตับจะต้องต่อสู้เป็นทหารเดีวหน้าเพื่อให้มันดีขึ้นมาเม <c oughs> ื่อกินไปบ่อยกินไปมันก็ลบบ่อยๆถูกถกระทบบ่อยๆ แล้วก็เกิดตับแข็งเมื่อเหมือนมือเหมือนเท่าเราเลยเหยียบดินไปบ่อยก็แข็งด้านไปเลยตับแข็งมันไม่เหมือนฝ่าเท่าเรากลายเป็นของอันตรายไม่มีพลังงานมันด้านก็เกิดโรคได้มันรีเซเกิลไม่ไหวมันไม่ไหวสูบุรีกินเหล้ามือถือโกดเนี่ยก็ทบอยู่เรื่อยจิตใจเน่ มันก็ไม่ไหวผลที่จะก็โลกก็พาะอาหารได้จุกภาพเสื่อยเฉมจะปล่อยให้อย่างนั้นเลยชีวิตเรามาเยอะมาฝึกขัดตัวเองนะ่ะฝึกฝนตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเรามานี่ทําไมมาเป็นกันระยะเบ็ดกันว่าปฏิบัตอย่างนี้ทําอย่างนี้ไปใจเป็นคิดเป็นพูธเป็นอิจฉามาอันเดียวกัน แม่ประเทศชาติในอย่างหลงพ่อพูดวันนั้นนะถ้าพวกเราเสื่อมกันหมดอิสลามมาเสือเอ่อถ้าหลวงพ่อยังไม่ตายหลวงพ่อเป็นอิสลามถ้าคิดมายึดบังคับไปเป็นคิดนุ่งออ่ชุดใหญ่ๆก็จะเป็นคิดแต่ว่าจะสอนเรื่องนี้หรือตายไปมีผีมีเปรตจะถ้ายังมีรูปมีดามจะสอนเรื่องนี้ไม่สอนเรื่องอื่นจะพูดเรื่องนี้ จะบอกดังนี้ว่ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตเรามีรูปธรรมมีนามธรรมเอารูปว่าธรรมเอารูปว่านามเพื่อทำดีไม่เช่เาวรูปว่านามเพื่อทำความชั่วจะมีอยู่เท่าไหรก่ก็จะทำดีไม่ทำความชั่วมีกายเป็นรูปมีนามคือใจมันรู้อะไรได้เป็นธารูปเรียกว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเอามาทำมันใช่ได้เอามาทำดีก็ดีทันดี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 ก็เราก็ปล่อยแม้ถึงขนาดนั้นเราก็ยังปล่อยอ่ะมันโกรธเอ้ามันเป็นกรรมแล้วกรรมชั่วแล้วก็อย่าปล่อยให้มันโกรธมันทุกข์ถอนออกมาเหมือนเหมือนช่างตกล่มช้างตกล่มนี่มันไม่ยอมจมลงไปมันถอนขึ้นมาชีวิตเราตกล่มมันหลงมันทุกข์มันโศกมันเลิกมันจังมันตกล่มไปถอนขึ้นมามันถอนได้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 มันหลงก็รลู่นี่เข้าแบบถ้ามันหลงหลงไปไม่เข้าแบบเป็นขยะไปเลยเหมือนหล่อเสาหล่ออปูนจะเอาเสากรมต้องออกแบบผมกมเหมือนอ๋อาจา์ตุ่มทมกะติซื้อท่อใเหินมาขนาดไหนก็เอาเทปุน ล, ลงไปก็เป็นรูปกุมถ้าเอารูปเดีย่ยวก็ซื้อไม้มาสามสี่แผน่นตีเป็นแบบแตีเส่ลงไป ถ้าปูนดันไหนไม่เข้าพิมพ์ก็เป็นเศษเขยะไปชีวิตของเราเนี่ยนิจใจที่เราหัดเนี่ยให้มันเข้าพิมพ์พิมพ์คืออะไรคือรู้จึกตัวคือจิตสัญญะไี่พิมพ์เป็นแบบฉบับแบบฉบับที่เป็นแบบพระรูปพระมันอยู่ที่ความรู้จึกตัวหล่อเข้าไปเข้าไปในพิมไม่ได้อย่าออกไป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 พิธีนาศกคือพระอรหันต์มีสติเป็นอารมณไม่ใช่นุ่งกางแจงอสีนั่นสีนี่อยู่โน่นอยู่นี่ไม่ใช่อ น, นั่นเป็นสมมติบัญญัติปรมัตต์สัจจะไมอ่อยู่ที่เราอยู่ที่เราเพราะอยู่ที่กากรกระทําของเราเข้าแบบให้ได้เนี่ยจะเป็นคิดก็จะสอนเราหนึ่จะเป็นใช้ก็จะสอนเราหนี่จะอยู่ที่ไหนก็สอนเราหนี้งเคยไ ป, ไปกับคิดสมัยหนึ่งอ่ะ เป็นเพื่อนกันกับบัตหลวงเขาไม่มีภาวนาเขาให้เราไปสอนภาวนาบางคนก็เอาแล้วหลงพ่อกังเขียนเน่ยไปเข้าคิดแล้วก็ <c oughs> มีกันเออไม่ได้ไปเข้าเราจะไปสอนกันเอาธรรมะเนี่ยมันก็ดีไปสอนพอคิดก็เคยไปไปสอนบัตหลวงเคยไปน้องเรียนบัตหลวงที่อ่มามหาวิทยาลัยพะเยเชียงใหม่ ไปสอนรงเรียนบาดหลวงมีบาทหลวงเขามีคออของเขาเขามีสายของเขาเขาไปสอนอไปฟิลิปปินส์ไปดูงานก็ไปอยู่กับบาทหลวงเขาไปดูของเขาการภาษาจาระของเขาคือทำไงวิธีการสอนเขาก็เด็กเขาเรียกว่ายาปักยาปักคืออะไรถ้าจะไปดูจนยากจนต้องไปอยู่กับเขา ไปอูไปดูชุมชนที่ฐานอดีเขาไปอยู่กับเขาไปจุมดูมันจะขนาดไหนความจนไปอยูกับพวกซาซากกไกล่หรืออะไรนะไอแฉไอเ้อเตี้ยเท่า น, นั้นซาไก่ซาไก่ชุมชนซาไก่ชุมชนชาวเขาเขาไปอยู่กับเขาดูเขาอยู่ยังไงพวกชาวเขาเรว่าซาไก่เงาะพวกเงาะเมียเป็นชุมชนใหญ่มากพวก ง, งาซาไก่เขาไปอยู่เขา เราสมัครไปอยู่กับชนชนยากจนเอ๋อไปอยู่กับสลัมเคยไปไหมขี้น้อยอไปอยู่กับสลั ม, มบ้านสลัมเขาใครเคยไปอยู่กับพวกสลัมที่ไหนครุยเคยไปไหมหลวงพ่อเคยไปประเทศฟิลิปปินส์นะ<ม>ให้เล่าให้ฟังไหมนะเล่ามาแล้วหลายทีแล้วก็ไม่อยากเล่านะจะให้เล่าเนะ ก็ให้เราไปอยู่กับจัิลำไปได้วยกันสามลูกพระผู้มีอายุเหมือนกันแล้วก็ให้ให้ที่พักได้น้อยหลังเดียวฝาฝาาก็เป็นไม่ขยะกระปิบขาดบ้างง่้อัดขลุถลวงบ้างตีฝาหลังคาก็ปะแล้วปะอีก ม่อัดก็ทำหลังคาได้โ อ, โอเว่ๆห้องน้ำก็กระถังใส่ห้องน้ำก็ปากวากแบ่งแบ่งขาดขาดเขาเจ็บมาจากถังขยะห้องน้ำก็พอพอใช้ได้น้ำกระถังมันใหญ่แต่ว่ามันขาดลงไปมันก็อยู่เหลือนิดหน่อยที่นอนผ้าพรมขาดขาดที่โอไปทิ้งเขามาปูนอนเหม็นสาบ เราไปอยู่สามลูกไปดูที่เราก็อวัอนนี้คืนนี้เราอยู่นี่คืนหนึ่งวันหนึ่งวางแผนในใจไม่ใช่เรียกร้องโอ้ยอยู่ไม่ได้ไม่ใช่วางแผนในใจ่ราจะนอนยังไงเราเข้าห้องน้ำยังไงเราอยู่นี่คืนหนึ่งลราล่าหน้าแปลงฟันแต่เราก็มีน้มดื่มในขวดน้มเราก็เตรียมแบ่ง วางแผนแช่ห้องน้ําเงือไหลข ย, ย่อยพอเดินพอนั่งรถไปแล้วก็อยู่ในหุบเขาว่างอยู่ในหัวเขีวต่ำๆเดินขึ้นเดินลงไม่ใช่มีใครไปทําถนนทางให้เดินขึ้นมาเดินขึ้นไปอแล้วก็วางแผนเาห้องน้ำดูเงยไหลข ย, ย่อยจะอาบน้าไงเนาะไม่อาบน้ําไม่ได้มันร้อนเหลือเกินจุง่งอ่ะ อย่าอาบน้ำพวกเราน้ำ ม, มีแล้วน้อยจะลอยใช้หองน้ำซะอ่ะาก็นอนแล้วก็ผ้าผ้าอาบน้ำกันอเนี่ยนี่น้อยกูลงไปอะเอาฝ้าบาทเป็นหมอนเอาสังฆาติวางบนฝ้าบาทนอนตะแคงหนีจากผ้าผืนนี่ไม่ได้ให้บรรจงที่สุดถ้าเราไปนอนเสือพมเขเรา นอนมไม่ได้มันแมนสาปเป็นเชื้อโลกด้วยแล้วก็นอนพอนอนก็นอนไม่ไมันเหนื่อยอไรไปขโมยอาบน้ําพอเพื่อนนอนแล้วโอ้ยกระดูกกระดิกกระดิกเราไม่กระดูกกระดิกพอนอนเราขโมยไปอาบน้ําแล้วก็มีเขี้ยวน้ําสเตนเลสมีหูไปวางแผ่นอาบน้าตั้งสถิตดีดด เราจะน้ำห้ากระป๋องน้อยๆเท่านี้ลองดูทำได้ไหมทำได้เราจะพยายามไม่กระทบกระเทือนหน้าห้ากป๋องเนะ่ะลองดูในชีวิตเด็เออเอเอพอนั่งลงก็เอาน้ำตักมาเทใส่หัวสูสบจับวไสูสบจบวไปเอามือรูบน้ำพาไป กระป๋องนึงเกือบทั่วแล้วรูปสชมพูไปก็นั่งถูสชมพูนั่งถูตัวเล่นไปพอมันเปียกไปถูสชมพูแก้วที่สองมาล่าแจกกระล وب ไปยังยังลื่นลื่นแชมพูยังวอกอ่อยูปไปรูปไ ป, ป, ไปมู๊ดสองแก้วผู้แชมพูเกือบครึ่งหน่งแล้วเกือบเต็มแก้วที่สองแชมพูฟืดเลอะไปฟืดเลวถูแชมพ เออสี่เจ้าไมมาเนี่ต้องได้แน่นอนพอห้าเจ้าเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยมานอนให้บอกเพื่อนมันก็ไม่กระทบไระเทือนล่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไปจุม่มไปจุ่มแบบนี้เขาเรียกว่าหยาบปักนะจ๊ะคิดเขาม่ใช่เราไปดูเขาเหยไม่ได้สัมผัสอะไรมันยากกันไหนมันลำบากยังไง ม้จุ่มหรือว่าหยาบปักการมาปฏิบัติธรรมแ้่มาจุ่มไม่ใช่ลูแล้วล่ะยกมือจ้างจาังหวะ14จังหวะทําทเป็นแล้วเดินยังกรมไม่ต้องแกงแขนกอดหน้าอกหรือขัดหลังหรือจับหน้าท้องไหวกันไหวทําเป็นแล้วสุกโตสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้อนอนไม่ใช่จุ่มการมาจุ่มนี่ต้องมา รู้มันหลงจุมดูความรู้จุมดูความหลงมันมีความหลงกมม็มีความรู้กมม็มีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ก็มีจุมลองดูทําได้ไหมเหมือ <ME> นเราอาบนา้ําเยี่ยวใ işte ชนะ่เนอะลองดูมันจะทั่วไหมมันทําได้ไหมจุมลองดูมันหลงรู้ได้เสียหายหรือมันหลงไม่เสียหายอาบน้ําได้เรอือาบได้อาบไม่ได้หรืออาบไปได้ไม่เอาตรงนั้น เราทําลองดูเัินจุ่มดูปล่อยจุ่มลองดูก็หรือว่ า, วาจุ่มลองดูเอากายเอาใจมาจุม่มมันมีสิ่งให้จุ่มดูมันมีเรื่เห็นมันเห็นอยู่ไม่ใช่หามันแสดงออกมาดีดีการศึกษาธรรมะ ม, มันฉายออกมาเหมือนอ่าโจชีวิตเรานางกายใจเหมือน เหมือนอการแสดงของอาการต่างๆเกิดขึ้นกับปายกับใจตัวจิตเหมือนกับเราดูหลังดูละครเราดูเคยดูหนังดูละครไหมไม่คน้อยเวลาเวลาค่แกกออกมาอชอบเวลาอ ะ, อะไระเวลา อะไรที่เป็นศัตรูเขาเรียกว่านะ <laughs> uh, ไรฮะเอาออมาจอบไปแสดงบทเขาโศกก็โศกกับเขาโปวดเขาหัรอกเขาหัวเราะกับเขาไม่ได้ดูเลยไปแสดงกับเขามันทุกข์ก็แสดงไปกับความทุกข์มันหลงก็แสดไงดดไปกับความหลงมันโกรธก็แสดงไปกับความโกรธไม่ได้ดูเราต้องไปดูเฉยไปดู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 หลวงพ่อเคยต้องพูดว่าจงมาดูเอา้าเป็นผู้ ด, ดูเอา้ามันไม่มีอะไรดูก็เป็นสมมุติปัญญาถ้าจะพูดธรรมะที่พูดสัจจะจริงๆอ่ะปรมาจริตไม่ต้องพูดอะไรเลยนิ่งไปเลยปิดปากอันนี้จําเป็นต้องพูดเพราะพระพุทธเจ้าเคยพูดเคยสอนไม่ต้องไปนิ่งให้กันดูเป็นก้อนอิดก้อนหินเวลาปฏิบัติธรรมต้องไปนิ่งนิ่งนิ่ง อาจารย์ก็นั่งนิ่งสรงบอยู่ลูกศิษย์ก็นั่งนิ่งสรงบอยู่อดทนชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ก็ไปทำแบบนั้นก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยมาไม่ต้องไปนิ่งแบบนั้นรูปกายก็เคลื่อนไหวเลื่นตาอย่าไปหลับให้มันธรรมชาติอย่าปิดหูปิดตาให้มันเห็นให้มันรู้งูมาก็ใหม่เห็น ก็อย่าไปน่งเาัเราจรึงมาดูอย่าเข้าไปอยู่อย่าไปเป็นเหมือนั้นเราดูดังดูละก่อนบางคนก็ไม่ใช่ไปดูไปแสดงจางเขาลมเรื่องตอนเพราะลมเรื่องพระเภทสันนอยู่ที่หนองคายการหาสาลีก็เป็นเด็กน้อยจริงๆ ความโชชกก็เป็นแต่งตัวเหมือนความแต่ว่าคือความแต่ว่าไม่รู้ความนีิงมาคือเขาบอกความคื อ, อไปขอกัญหาสาลีพอได้ก็พอหลุดจากมือพระเวชันดร์ก็ตีเลยเอ๊บ ล, ลงไปกณะซาลีก็ร้องให้พระเวชันดร์ก็นั่งอยู่ถ้าบ่อยให้เขาตีลูกตัวเองต่อหน้าต่อตาพระเวชันดร์คิดยังไง ต้องไปช่วยใช่ไหมต้องไปช่วยเพื่ออนนั่งดูเฉยจะทําได้ไหมพวกเราคณาสาลีก็เป็นเด็กห่ะพรามจับไปแล้วยังไม่ไปถึงไหนคณะสาลีก็กลัวร้องไห้พราบเธอทุกตีเลยเขี้นตีเลยเพื่อจะนอนนั่งดูเพื่อจะนอนชี้ไงถ้าปริทัศนดลองดูเพื่อจะลองมองดูโอ้พราม เมื่อมอบกันหาสลีให้เขาไปแล้วมันต้องอยู่ในอำนาจของพราหมณ์มันจึงจะปลอดภัยถ้ามาไม่กลัวพราหมณ์มันก็ลักหนีกลางดงกลางป่าจะไม่ถึงกุงศรีผีดีแล้วเขาจะได้เชื่อฟังพราหมณ์มองแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่มองแบบโกรธ <laughs> ไม่พอใจอถ้าขนาดซลีเชื่อพราหมณ์กลัวพราหมณ์ที่ไม่นนไหนีไปไหน อยู่ในอำนาจก็จะไปถึงเมืองสีผีไปถึงเมืองปู่ปู่ก็จะได้เอาหลานน้อยไว้พระเวยฉัดอนก็วางแผนจะต้องมาดค่าราคาแพงมากความโจโจกเจ้จเาเด็กไปใช่หรือไปให้มิอานิตตาใช่หรือมันใช่ไม่ได้เด็กน้อยโจโกก็ต้องมีปัญญาเอาไปขายให้ปู่เอาเงินไปจ้างคนมา สร้างอะไรก็ได้สร้างร้อยปัวร้อยม้าร้อยเงินร้อยทำร้อยอะไรมีแต่ละร้อยห้ารอยเป็นเศรษฐีกันดีเอาไปขายใครจะซื้อได้มีแต่พระเจ้ากรุงสนไทยที่ชื่อซื้อกัญหาสัลีได้ก็ต้องไปที่นั่นผาก็เอาไปที่นั่นจริงวา ง, งแผ่นไว้จะต้องไปขายให้เจ้าพระเจ้ากุงสนไทยว่าเราได้เงินจะเอาเงินไปจู่ อาพิธิตตาโอบเงินไปก็รวยแล้วเราวางแผนพระพเปตพระเปจะนอนวางแผนไปจริงๆนะไม่ใช่โทษทิ้งนะถ้าอยู่ในป่าในดงอะกหาสารีเป็นลิงเป็นข้างเอาอย่างลีงบ้างเอาอย่างกวงป่าไม่มีใครสอนพิมพาก็า่าอ่า อ, อะไรพุชเลยไม่ใช่ใครไปหา คิพมพาไไม่ใช่มอมัจีมัจีไม่จีก็ไปหาแต่หมากไม้ตื่นขึ้นมาก็ปล่อยเปล่อยกันหาซาลีเล่นกับพระเภจฉันยนในอโสมปากเอาไว้แล้วพิเไปสันดอนก็มันตอนตนั่งบำเพ็ญภาวนาก็หาซาลีก็เอาอย่างเลีงบ้างเอาอย่างแ่งเอาอย่างขวงได้เฉยไปโอ้ยไม่ได้เล่าเรียน ก็โชคดีพามาเอาไปวางแผนทันทีเลยเข้าไปจะให้ไปไปศึกษากรเรียนก็ถึงกรุงศรีปีพระเจ้ากรุงจะใส่หลานไว้เลยพอไส่หลานได้พามาโชกก็รวยพวกบริวารพวกป่ายฟ้า ป, ประชาชนก็เลี้ยงพาม กินอาหารอย่างอะไรต่อกินเอายาวท้องแตกตายท้องแตกต่อพระเจ้ากุงสนใจประกาศให้ญาติของพรามณ์สุโธกมารับเอ้าสมบัติทั้งหลายประกาศไปมางไหนมันไม่มีใครมารับอมิตตาตาไปไหนอมิตตาตาก็วางแผนในสุทโธกอมิตตตาคือใครคือไม่ใช่มิตรอามิตรแปลว่าไม่ใช่หนีไปเอาผัวใหม่ ใช่ไหมก็บอแลลวอามิตาาเขบว่าโอ้ไม่มาเอาทัพสมบัติเลยอาสมบัติทั้งหลายก็กลับคืนสู่พระครังได้อันนี้เรียกว่าปาริทัตลองดูมันเป็นอย่างนี้ทีนี่คนดูหมือล้เนี่ยเห็นเขาตีกันหาจรีน้อยน้อยกูดมันมาจะตีขนาดนี้เลยจับมาตีจริงๆนะ กันชาซารีตัวได้ก็ร้องให้คนดูก็สงสารกันชาซารีแม่เท่าคนหนึ่งขายขายถั่วอบอยู่หน้าเวทีจับไม่คานขึ้นไปไตีความสุสุนี่เป็จนจุดงเหรอฮะจนความสุสุ ก, กับนั่นวิ่งเข้าหลังฉากไปมันตีก็นตัวกันเรียวเลย กระทายตัวดีแบบเดนหน้าก็ละออกมาเอ้ยคนใหญ่คนใหญ่เขาแสดงใช่ใช่ครัเขาไม่ใช่ตีจริงๆร้ลองไปลองไปมันแสดงไหมเราใหญโกดโชกนั่นไปแสดงกับเขาไปสงสารจนน้ำตาไหลไปหัวเราะจนอ่อะไรต่างๆงานแสดงชีวิตเรามาแสดงให้ดูใครเคยแสดงกับรูปสามน้ำสามบัก มันปวดก็แสดงเป็นคนปวดอายสุข ก, ก็แสดงเป็นความสุขความทุกข์ก็แสดงเป็นความทุกข์มันโกรธก็แสดงเป็นคนโกรธเราดูมันเรียกว่ามาดูให้มันเห็นให้มันเห็นพระพุทธเจ้าสอนเราเห็น <c oughs> มันทุกข์ก็เห็นทุกข์มันเป็นของประเสริฐอย่างนี้อ้าวเอเอพูดให้ฟังวอนละนิดวนลน่อย อเรื่องของเราเนี่ยแบบใครมาจากไหนเหอเถินเดินผ้ามาใครําดินบนินบนบ่าข้อศนเร้่องนี้จะอยู่ที่ไหนเขพูดแล้วอนี้เพราะนั้นเราก็มาศึกษาดูยามาเชื่อเราทรําดูมันรูจริงไหมมันหลงจริงไหมอันลูอันหลงอะไรมันเป็นธรรมมันเลือกได้ไหมเราไม่ผิดเลือกได้ไหมต้องรู้จกักไม่ใช่เราโง่ <c oughs> มี มีปัญญาไปในตัวมีสินไปในตัวมีสมาธิไปในตัวถ้าเรามีสตินะ mm hmm. พวกพี่ฟังดีใจนึกว่าจะมีใครแล้ววันนี้พวกหมอก็กลับไปที่นี่ก็เห็นแต่รอยพวกเรานะพวกเราอยู่นี่เป็นผานลงเป็นกมรมกรเป่าให้มาเถอะพวกเรา คงไม่เดือนร้อนอะไรมากมายเหินเคยสะดวกสบายก็มาลองทุกทุกยากๆลองดูเนะบไหมเอาไม่ไหวเราสกุโตะย่ที่สุดเลยไม่ต้องแย่ไม่เป็นไรว่าอย่างนี้หิวข้าวบ้างก็ไม่เป็นไรลำบากบ้างก็ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรผิดบ้างไม่เป็นไรลูกบ้างไม่เป็นไรอย่าไปเอาดีเอาไม่ดี มันผิดก็หัวโลภความผิดมันทุกข์หัอโลภความทุกข์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนี้เอาว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันมันดีแล้วมันหลุดพ้นแล้วมันหลงก็ไม่เป็นไรมันผิดบ้างหลงบ้างไม่เป็นไรทําไปอย่นี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะอย่าแปลวาผิดเราถูกนะอย่าไปสุขทุกอย่าไปเข้าไปชอบไม่ต้องใช่เหตุใช่ผลมาทํากรรมฐาน ใ้มันเป็นกรรมจริงๆมันจนิตจำแนกไปสร้างตัวรู้สร้างตัวรู้อย่าไปเมินมาได้เลยรหนึ่งวันไม่ได้เลยรสองวันไม่ได้ไยาไปคิดแบบนั้นมันรู้ ก, ก็รู้อยู่แล้วจะแปลอะไรมันรู้สึกตัวก็รู้อยู่ทันทีอยู่แล้วไม่ใช่ไมีอะไรมันก็รู้อยู่แล้วทันทีความรู้จุดตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงจริงนะทุกคนฟังก็สมควรใจเวลาอาภัพพร้อมกัน